บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปอย่าปัญหาแห่งท่านเมตตครูในตอนต่อไปนั้นท่านถามว่าทุกทั้งปวงซึ่งมีอยู่เป็นนั้นมากเกิดขึ้นมาจากอะไรปัญหาเรื่องความทุกข์เป็นปัญหาที่ถาก่อน สำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายความเกิดขึ้นของศาสตราดาทั้งหลายในโลกนี้ก็เพราบปรารบความทุกข์ที่เกี่ยวข้องทูกพันในชีวิตของคนทั้งหลายจึงได้แสวงหาคนพาเพื่อช่วยบรรเทาหรือดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลแึงแม้ความเกิดของาศาสนาทั้งหลายก็มีจุดมุ่งหมายเช่นนั้น อย่างที่ท่านพูดกันว่าเพราะโลกนั้นมีปัญห า, าศาสนาจึงได้เกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาเกิดมาก็มีลักษณะท้าทายให้บุคคลคิดคนอุบายวิธีที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นทุกข์สัตว์จึงเป็นตัวปัญหาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเองก็เริ่มเจาะที่ตรงนี้ คิดจากจุดนี้แล้วค่อยสแสวงหาค้นคว้าไปโดยลําดับจุดในที่สุดพระองค์ก็พบทั้งกระบวนการของความทุกข์เหตดเกิดของความทุกข์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์นั้นปัญหาเรื่องความทุกข์จึงเป็นปัญหาที่ติดตอมติดตามคนอยู่ตลอดเวลาในตามพระพุทธศาสนา และแสดงกลุ่มของธรรมนี้เอาไว้เรียกโดยสรุปว่าปัญญาตัดไปทำคือกลุ่มที่บุคคลจะต้องเรียนรู้จะต้องเข้าใจเอาไว้เพราะโลกนี้มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาแต่เมื่อบุคคลเรียนรู้เข้าใจถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนแาวก็พร้อมที่จะอาศัยความรู้เหล่านั้นเอง สละตนปรีตตนออกไปจากความทุกข์เหล่านั้นได้ดนั้นจุดหมายในการประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเฉพาะในสายนี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไปว่าเมื่อใดบุคคลเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมหน่ายในความทุกข์ และนี่ก็คือทางแห่งความหมดจดประการหนึ่งซึ่งหมายความว่าการเรียนรู้เรื่องทุกเพียงอย่างเดียวจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนําพาผู้ประพฤติปฏิบัติให้ดําเนินไปสู่จุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้และก่อนที่จะถึงจุดหมายสูงสุดก็ทําให้บุคคลประสบผลเป็นความสุขในขั้นนั้นๆ ตามสมควรแก่การระพฤติปฏิบัติแห่งตนเพรความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นในชั้นโดยตั่วไปก็สามารถบรรเทาสามารถระงับสามารถผ่อนคลายสามารถล ะ, ละสามารถดับได้ในที่สุดเนื่องจากพื้นเพจริตอัตยาสัยของบุคคลแตกต่างกันขีดความสามารถในการที่จะบรรเทาความทุกข์ ก็มีไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงธรรมะไว้หลากหลายระดับนี้เหมาะควรแก่คนกลุ่มนี้ที่จะบรรเทาความทุกข์ในชีวิตของตนให้สามารถสัมผัสความสุขได้ในขั้นหนึ่งและถ้าบุคคลนั้นมีความสามารถสูงขึ้นก็จะทรงสแสดงธรรมะขึ้นอีกขั้นหนึ่งมีลักษณะเหมือนกับขั้นบันได ที่จะนำบุคคลให้เดินสูงขึ้นไปโดยนำดับแล้วเข้าสู่ปราศาทคือปัญญาที่มีความสุขมีความสงบเป็นผลความทุกข์ท่านจึงจำแนกออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆไดก้กลุ่มหนึ่งเป็นความทุกข์โดยสภาพคือสิ่งหรือคนหรือสัตว์ก็ตามที่บังเกิดขึ้นมาแล้ว จะต้องตกอยู่ในสภาพเหล่านี้ถ้าคนสัตว์ท่านใช้คำว่าเกิดแก่ตายถ้าเป็นสิ่งของภูเขาต้นไม้เป็นต้นท่านบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไปวัที่จริงเป็นการกล่าวถึงเรื่องเดียวกันพระพุทธเจ้าทรงจัสรู้มองเห็นว่าเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติ แล้วเกิดขึ้นโดยกฎของธรรมชาติแต่ถ้าเราไปมองความคิดในเรื่องนี้ก่อนพุทธสมัยจะพบว่าคนสมัยนั้นก็ค้นคว้ากันมาแล้วปัญหาเรื่องโลกเรื่องความทุกข์เรื่องชีวิตเป็นกันแต่คนเหล่านั้นกลับเข้าใจว่ามีสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นผู้สร้างสิ่งตรงนี้ขึ้นมาแล้วประจัดกันเป็นพระเจ้า ออพระพรหมเป็นผู้สั่งพระสีวะเป็นผู้ทำรงรักษาพระสีวะเป็นผู้ทาลายพระนารายณ์เป็นสู้ทำรงรักษาถึงลักษณะเหล่านี้แท้จริงก็คือพระพรหมก็คือตัวเกิดพระสีวะก็คือตัวดำรงจุพระวิษณุก็คือตัวดำรงจุพระนารายณ์ไอ้ระสีวะก็คือตัวทำลาย หรือเกิดแก่ตายหรือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่จริงก็เป็นการมองเรื่องเดียวกันแต่ปัญญาของบุคคลอย่างได้ไม่เหมือนกันคนหนึ่งก็อย่างไปในจุดหนึ่งก็กําหนดหมายกันว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่พระพุทธมีพระพักตเจ้าทรงสแสดงว่าเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วยกฎธรรมชาติแต่จะให้มีผู้สร้างแล้ก็มีผู้สร้าง คือพวกกวิชาตันหกรรมเป็นตัวสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาและสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นปรยกฎของธรรมชาติแล้วใครก็ตามสิ่งอะไรก็ตามก็จะตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันในชั้นหนึ่งก็ทรงสอนให้มองในแนวที่เป็นธรรมดาโดยจะพป็อย่างจริงโดยพื้นฐานโดยทั่วไป คนจะมองในแนวแยกละเอียดเป็นวิปัสนาปัญญาก็เป็นไปได้ยากพระภูมิรภาคเจ้าจึงทรงสอนให้มองเป็นธรรมดาแต่ว่าเนื่องจากความเกิดนั้นเราได้เกิดมาแล้วก็จะย้อนกลับไปมองความเกิดมันก็เห็นได้ยากเพราะฉันหยาบหยาบจึงให้มองเพียงสามจุดเพียงห้าจุด สิ่งเกี่ยวข้องบุคคลกับชีวิตของบุคคลอย่างที่สวดกันในอปิณหาปัจจุบันนะมองเห็นความแก่เป็นธรรมดามองเห็นความเจ็บเป็นธรรมดามองเห็นความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครสิ่งอะไรบุคคลใดอำนาจอิทธิฤทธิ์อย่างไรหลุดพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้แต่ในขณะที่ชีวิตดำลงจูดนั้น จิตจะต้องเผชิญปัญหาในลักษณะเดียวกันแต่มากน้อยแตกต่างกันนั่นก็คือเรื่องการพลากจากและการพรัดพลาดเราสอนให้ปรักใจยอมรับถึงความจริงว่าเป็นธรรมดาอีกเหมือนกันเราจะต้องพลาดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปแต่จริงเมื่อเราพลาดพรากจากของรักของชอบใจได้ก็พลาดลาดจากของไม่รักไม่ชอบใจก็ได้เหมือนกัน การมองในจุดนี้ในชั้นธรรมดาสามัญท้งบุคคลเห็นไหมปะเป็นการสร้างภูมิคุ้มครองจิตของตนได้เป็นอย่างดีทีเดียวเวลาประสบกับสิ่งบุคคลอันเป็นที่รักก็ยอมรับได้ทั้งสองฐานะคือยอมรับทั้งความมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้นและ ย, ยอมรับในคั้นที่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องพากจาก เป็นการเตรียมใจล่วงหน้าเอาไว้ก่อนในขณะที่ดำรงคงอยู่ก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ปฏิบัติภารากิจต่อกันโดยความเอื้อเฟื้อแต่เวลาจาักไปแตกทำลายไปก็ยอมรับถึงธรรมดาเหล่านั้นความยินดีและความยินร้ายซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่สร้างความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นไปในจิตใจขึ้นๆลงๆ ก็จะมีอิทธิพลต่อจิตของบุคคลน้อยลงเพราะมารู้เท่าถึงทันม า, มารู้เท่าทันถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นอีกชั้นหนึ่งก็ขอให้เกิดเป็นความอดทนเวลาประสบกับสิ่งที่ตรงกันข้ามคือสิ่งที่ตนไม่รักไม่พอใจไปเจอเข้าวกปจะยอมรับว่าเป็นธรรมดาคือจะต้องพละดพลาดจากไปเพราะในขณะที่แกยังดำรงอยู่เราก็ทนเอา พราะไม่เท่าไหร่ก็จะต้องไปจะต้องจากไปจะทําทให้บุคคลไม่รู้อํานาจแก่ความชังซึ่งมันเกิดขึ้นในชุดแรกก็ไม่รู้อํานาจแก่ความชอบที่มันเกิดขึ้นใจของบุคคลก็มัธยัสถ์อยู่ท่ามกลางได้มันคือชั้นในชีวิตประจำวันแต่ในขณะที่ชีวิตกําลังดํารงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนั่นเอง ผลต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็พร้อมที่จะให้บุคคลได้ใช้เหตุผลและพิจารณาว่าแล้วรู้แล้วมาเกิดมาจากเหตุทางนั้นแล้วเมื่อเกิดแกเราเหตุนั้นก็จะต้องเกิดขึ้นจากการกระทำของเราจะเป็นเหตุไกลหรือจะเป็นเหตุใกล้นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เราทำใจให้สงบได้ให้เดือดร้อนวุ่นวายต่อสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็คือส อ, สอนให้พิจารณาตามแนวกฎของกรรมอย่างที่สุดกันการวองแนในแนวนี้แท้จริงก็คือเรียนรู้ทุกกษัตร์นั่นเองจนเรียนแบบง่ายๆธรรมดาไปก่อนเพราะสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องบุกพันธยู่กับชีวิตของคนอยู่เสมอไป ความทุกข์อีกชั้นหนึ่งที่เกี่ยวกับกายนั้นจะพราะว่าแท้ที่จริงกายไม่ใช่เป็นตัวเสวยเพราะกายไม่ได้รับรู้ถึงความสุขความทุกข์จิตเป็นตัวเสวยแต่ตัวความทุกข์นั้นได้เกิดขึ้นกับร่างกายอาจจะปรากฏเพราะความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของฤ ด, ดูการต้องหนักอยู่ในเรียบทในเรียบทหนึ่งหรือความทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เกี่ยวข้อการทะเลาะิวาทกันเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บนานาชนิดซึ่งใครก็นับไปถูกว่าโรคในโลกมีเท่าไรในพระบาีเองแสดงโรคไว้เป็นร้อยๆเฉพาะโรคในยุคนั้นทําไมนั้นแล้วแสดงทั้งตัวโรคที่ปรากฏทั้งเหตุเกิดแห่งโรคเอาไว้เรื่องสิ่งเหล่านั้นมันแล้วแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะทําการเสียดแทงก็ให้เกิดความเล่าร้อน ขึ้นภายในร่างกายของบุคคลจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่ให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาและความทุกข์ที่ต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากวิบากแห่งกรรมอย่างในกรณีของโรคจึงเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นพระเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้เพียงสามประเภทเท่านั้นเอง วโรคบางชนิดนั้นจะรักษาหรือไม่รักษาก็หายเช่นว่าเกิดขึ้นปวดหัวปวดท้องนิดๆไปหน่อยอาจจะพักพรอาจจะไปอยู่ในสถานที่หนึ่งก็จะหายไปเองโดยไม่ต้องไปบำบัดรักษาอะไรโรคบางชนิดต้องรักษาจึงหายถ้าไม่รักษาไม่หายหรือก็มองเห็นกันได้ทั่วไปแต่มีโรคชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผลแห่งวิบากกับ ทงใช้คำว่าจะรักษาหรือไม่รักษาก็ไม่หายตราบใดที่กรรมยังไม่หมดสิ้นไปข้อนี้ในสมัยพุทธกาลเองมีบุคคลเป็นอันมากแม้แต่ระดับพระอระหันต์เองบางรูปก็ยังเป็นโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังทางนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นวิบากกรรมของท่านหรือขัตยักุมารี เช่นพระนางโรฮินีพระนิธิปัจินีของพระอนุรุตเตติระมีทรัพย์สมบัติมากมายกายก่อแต่ไม่ได้ไม่สามารถารักษาโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นแก่ตนได้พระเจ้าทรงเชื่อเห็นว่านี่เป็นวิปักกรรมเมื่อนางได้ทำบุญไปโดยลำดับตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าโรคนั้นก็หายไปเองหรือแสดงว่าหมดกรรมก็หมดโรค เพราะโรคที่เกศเสียแทงคนอยู่นั้นมีชนิดที่เกิดขึ้นจากวิบัติของของกามแล้วก็เพียงแต่บรรเทาความรุนแรงไว้เท่านั้นมีเงินมีทองมากมายอย่างไรไม่มีใครสามารถบำบัดได้ให้หมอวิเศษยังไงก็บำบัดไม่ได้ที่แสดงเห็นว่าเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโรคอย่างเดียวก็มีมากมายที่เกิดนั่น เราตอ้องการที่จะต้องบริหารร่างกายไปนานานสารพัดครับการไม่หวาดไม่ไหวรวนแล้วแต่เรื่องของความทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกายถ้าเชิงของการปฏิบัติแล้วบุคคลก็ต้องมองให้เห็นในแง่ของความเป็นธรรมดาเพราะถ้าไม่ยอมรับความจริงในธรรมดาเหล่านี้จิตใจก็จะถูกโยกคลอนวันไหวหาความสงบไม่ได้ไปเดือดร้อนวุ่นวายอยู่กับเรื่องเหลน ในการปฏิบัตินั้นจึงทรงสอนในอดทนบ้างทรงถอนในบันเทาบ้างทรงสอนในแก้ไขบ้างทรงสอในใ้ปล่อยวางบ้างแล้วแต่กรณีแต่ในขณะที่ชีวิตกําลังตกตู่ในความเปลี่ยนแปลงนั่นเองความเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ดีอะไที่ดีๆเราก็ไม่เรียกว่าเป็นทุกข์แต่ว่าแท้ที่จริงแล้วในแง่ของธรรมะก็เป็นทุกข์แต่ทุกข์มันลดลง คนทนอยู่ได้ัเรียกว่าสุขความทุกข์นันจึงแปลว่าสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้หรือทนได้ยากความทุกข์คือสิ่งที่ก่อให้เกิดการแผดเผาเมื่อแผดเผาแล้วมีผลออกมาเป็นโรคของความ ร, าร้อนอย่างเช่นที่สวดกันบอกความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจ ในอย่างนั้นให้สังเกตว่าพระเจ้าทรงแส ด, แดงความทุกข์ในแนวที่เกิดมาจากกิเลสประเภทโลภะหรือราคะเป็นหลักใหญ่ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของบุคคลในแต่ละวันนั้นถ้าเราเฉลี่ยออกไปเป็นชั่วโมง จะพบว่าใจตกอยู่ในกระแสของกิเลสสายโลภะมากกว่ากิเลสสายอื่นท่นี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของอารมณ์เพราะกิเลสสายโทสะนั้นร้อนรุนแรงมากใจขึ้นไปอยู่แล้วไม่มีความสงบกิเลสสายโมหะมีลักษณะร้อนและอบอ้าวอุมครึมอึดอัดไม่น่าอยู่ใจไม่สงบเหมือนกันคือใจไม่ไม่เพลินไม่ใช่ไม่สงบ กิเลสประเภทโลภะประเภทราคะมีความรักมีความกำหนัดมีความชื่นชมยินดีสนุกสนานเบิกบานเป็นกิเลสประเภทที่ออกจากกระจุงกระจิมสามารถอยู่ได้เป็นชั่วชัวโมงเป็นวันวั น, วนหรือได้หลายชั่วโมงคนนี้มองในเชิงพฤติกรรมจะเห็นว่าอย่างคนบันดาลผู้สะทะเลาะ ก, กัน ไม่ถึงชั่วโมงก็ขอบแล้วเหนื่อยแต่นั่งเล่นไพ่ได้สองวันสองคืนไม่ต้องนอนเพราะอะไรเพราะกิเลสายโลพานั้นมีลักษณะยั่วยวนก็ได้แล้วอยากได้อีกพอแพ้ก็อยากแก้ตัวพอได้ก็อยากได้พอแพ้ก็อยากแก้ตัวก็เล่นอยู่อย่างนั้นร่างอุจจาระปัสสาวะอยู่ได้ข้าวปลาก็ไม่ยอมกินไม่ยอมนอนได้นั่นคือกิเลสมันนิยการที่แตกต่างกัน นั้นความทุกข์ความโศกที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลส่วนมากแล้วจะเกี่ยวข้องกับการพรากจากการพัดพรากการสูญเสียการแตกทาลายของคนของสัตว์ของสิ่งของอันเป็นที่ย์กะประกอบให้เกิดเกิดความโศกขึ้นภายในใจพอโศกมากดึงไว้ไม่อยู่ปอบพิริพิไรรำพันธ์ออกมาจากข้างนอกที่จริงก็เป็นจุดเริ่มต้น จุดเริ่มต้นของความรู้สึกที่ไม่หยุดเมื่อไม่หยุดก็ลามลามออกไปก็เผาไหม้ใจไปโดยลําดับในตอนเริ่มต้นจริงๆก็จุดขึ้นมาจากจิตเท่านั้นเองก่อตัวขึ้นมาจากจิตความเคลื่อนไหวาทางกายทางวาจาใบหน้าท่าทางยังไม่ปรากฏอะไรถ้าหยุดจะได้ก็ไม่มีใครรู้แต่ตามปกติแล้วก็หยุดไม่ได้ไม่หยุดไม่ได้ก็กออกมา ในรูปของความโศกเศร้านั้นเกิดภายในใจความคร่ําควรวญออกมาแล้วออกมาทางใบหน้าท่าทางออกมาทางวาจาแล้วก็วพิรีพิไรรำพันบ่นเพ้อไปร้องห่มร้องไห้ไปนั้นแสดงถึงอาการลุกลามของความทุกข์แล้วความทุกข์ก็เกิดสืบเนื่องกันมาโดยลำดับบางครั้งบางคราวต้องเกี่ยวข้องผูกพันกับอารมณ์กับคนกับสิ่งของที่ตนไม่ชอบไม่พอใจ ไม่ยินดีที่จะปูกพัน์กับสิ่งเหล่านั้นแต่ก็จําเป็นจะต้องอยู่ต้องเกี่ยวข้องจิตใจของบุคคลก็จะอึดอัดรู้สึกการเวลาที่ต้องอยู่ในสถานที่นั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นอึดอัดล่าช้าเล่นเดืผ่านการเวลาไปได้วยความลําบากนี่ก็มองกลับมาอีกทีหนึ่งก็จะเห็นได้ว่าเป็นอาการของกิเลสประเภทโทสะคือไม่ชอบ แล้วไปอยู่กับคนที่เราไม่ชอบเราก็อึดอัดผ่านการเวลาไปด้วยความละบากยากขินได้เกิดแต่ถ้าหากว่าคนนั้นเปลี่ยนเป็นคนชอบการเวลาก็เหมือนกับติดปิกเนไปเร็วได้เกิทั้งทั้งที่เวลาก็คือเวล า, วลาแต่่าจจที่ไปกำหนดไปผูกพันในอารมณ์นั้นเป็นตัวกำหนดให้เวลามากหรือเวลาน้อยเวลาก็เท่าเด่นโดยการพลัดพรากจากคนจากสัตว์จากสิ่งของอันเป็นที่รัก จะเป็นเหตุแห่งความทุกข์แล้วที่สุดลักษณะความทุกข์หล่อเนี่ยมีอาการหมักหมมมากขึ้นท่านเรียกว่าอุปาญาตคือความแห็งใจความกรอบเกรียบที่มีอยู่ภายในใจความผากอยู่ภายในใจความเกิดแห่งที่เกิดขึ้นกัดกล่อนใจจ น, สนแสดงอาการออกมาในรูปที่เราพูดว่าเสงี่ยคือเกิดเสงียในอารมณ์ขึ้นมาด้วยประการต่าง นี้แสดงว่าหมักผ ม, มทับผมไว้มากเลยเกิดไม่รู้มาจากสายไหนตัวสายไหนเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้ถ้าปัญญามีพอจะแยกแยะดูปัจจัยของความโศกได้ก็าจะถอนออกมาได้แต่ถ้าไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ก็ถอนได้ยากเมื่อตอนได้ยาพวกนั้นก็กัดกร่อนใจ การกัดก่อนใจนั้นให้อิจลองสังเกตวิเคราะห์จิตของตนเองหรือว่าบุคคลบางคนที่แสดงออกมาในภายนอกก็จะพบความจริงว่าอาจจะอาการที่เป็นอุปายาตคือความแห้งความผากอยู่ภายในใจนั้นกัดกร่อนใจของคนได้เป็นปีปีเป็นหลายๆปีหรือเป็นสิบสิบปี เห็นว่าเคยพระรากจากคนนั้นเป็นที่รักความสูญเสียอย่างรุนแรงสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือแม้สมัยเป็นเด็กแผลใจนั้นก็ยังอยู่ภายในบางครั้งบางคราวก็ลืมเรือนไปบ้างแต่พอมีอารมณ์มากระแทกจากข้างนอกระดึกได้ใจของบุคคลก็เริ่มซึมเศร้าเพราะเป็นเดียวเอาอาดิต ืออารมณ์มันเป็นนันดิตเข้ามากัดกร่อนใจคือเพิ่มข้าวใต้เชื้อแกก็ขึ้นทำปฏิกิริยาต่อจิตใจเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องธรรมดาทั้งหมด่ทงที่เคยกล่าวมาในกรณีของความทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าจะเน้นอยู่สามประโยช์ให้คิดไวเอวังธรรมโมเอวังพาวีเอวังอนัตติโตธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ นันคือเรื่องที่จะต้องเจอจะต้องพบในชีวิตประจําวันแล้วถ้าหากว่าบุคคลเข้าถึงคำสามคํานี้ออคําหนึ่งคําใดก็ได้มองเห็นให้เป็นธรรมดาจริงๆมองใหเห็น <c oughs> ให้เป็นว่าภาวะมันเป็นอย่างนั้นจริงจริแล้วใจของบุคคลก็จะยอมรับเองว่าไม่ล่วงพ้นภาวะเหล่านี้ไปได้เวลาประกอบอะไรจะในชีวิตประจํวาวันของบุคคล เรามองคนอื่นมีความหมั่นขยันในการทำงานในการศึกษาเราเรียนก็ตั้งตัวเป็นหลักทานได้ก็ไม่ไปเกิดริษยาอะไรเพราะเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าผู้หมั่นย่อมหาทรัพย์ได้ผู้หมั่นย่อมได้ความรู้เมื่อเขามันขยันเขาก็ต้องได้ทรัพย์ได้ความรู้ได้สถานะจะแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาริษยาที่ภายในใจ ทิศยาที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลจะบรรเทาลงถ้าเรายอมรับธรรมธรรมดาไม่จําเป็นจะต้องไปริษยาอะไรกันเพราะนั่นคือเรื่องของธรรมดาคนที่ขยันทำมาหากินแล้วไม่ร่ํารวยเป็นเรื่องแปลกผิดธรรมดาคนขยันเรียนหนังสือใจจริงตั้งใจจริงสอบถามสนใจติดตามแล้วไม่มีความรู้นั้นเป็นเรื่องผิดธรรมดาไม่มีในลูกนี้ใจของบุคคลก็จะสงบได้ ไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องไปพิษยาใครหรือเดือดร้อนเพราะความจเจริญเติบโตของใครธรรมะก็เดินได้ในสายนี้แต่ในขณะเดียวกันเวลาตนเกียดติคร้านไม่เอาใจใส่ในการทำงานไม่สนใจในการประพฤติปฏิบัติขัด ร, ร้าวจิตใจตัวเองและประสบปัญหาขึ้นในชีวิตก็ไม่ไปตีโพยตีพายไปโยนให้ดาวโยนให้พ่อแม่โยนให้สิ่งแวดล้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง แต่ก็ถือว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาคือคนไม่ทำงานแล้วก็ได้เงินนึ่นก็เกินไปบิดธรรมดาปรับใจเป็นธรรมดาได้ไม่โทษคนอื่นและไม่ต้องเสียเงินเพิ่มไปสะดกเคราะไปให้หมอดูดูดวงอะไรมันแก้ปัญหาได้ทุกขั้นตอนคือการเข้าถึงธรรมะนั้นอย่าคิดว่าต้องไปนิพพานเสมอไปไม่จำเป็นธรรมะแตะตรงไหนก็าตาม และจะไปตายตัวเองเออกไปแก้ปัญหาได้ในส่วนเด่มๆก็เนี้ยลองสังเกตว่าที่พูดมานั้นเป็นเรื่องของทุกข์สัตย์แต่พอเข้าใจทุกข์สัตย์ด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิณาชัดเจนไปแก้เสมุทัยสัตว์ไปแก้พวกกิเลสทั้งหลายได้ไปแก้พวกริษยาได้ไปแก้พวกความเขา่าความงงงายต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้ทั้งๆที่เราพิจารณาที่ทุกขสัตว์ไม่จะพิจารณาที่สมุทัยสัตว์ สานการประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาข้อสําคัญจึงอยู่ที่ตั้งต้นคือนับหนึ่งตรงไหนก็ได้นับหนึ่งมองให้เห็นธรรมดาในศาสตร์ของทุกข์กสัตว์คือปรากฏการของธรรมชาติก็ได้นับหนึ่งที่มองให้เห็นโทษของกิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นในภายในก่อให้เกิดความร้ร้อนในภายในแผดเผาในภายใน ถ้าไม่เห็นขนาดนั้นก็มองดูผลของกิเลสที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงต่างๆที่คนนั้นคนนี้ก็ทําการที่เกิดขึ้นในที่นั้นที่นี้หรืออาจจะไปแตะที่ผลซึ่งเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นเพราะความสงบระงับดับไปของกิเลสหรือผ่อนคลายไปของกิเลสหรือจะมองให้เห็นคุณค่าความดีความงามของการประพฤติปฏิบัติตามองค์เรมักก็ตามนับหนึ่งที่ไหนก็ได้ขอให้นับไป แล้วในที่สุดใจของบุคคลก็จะก้าวเดินไปสู่คันลองแห่งความรู้ถ้าเริ่มที่ทุกข์สัตว์ก็จะมองเห็นความจริงในง่าของธรรมดาว่าธรรมชาติเขาก็เป็นอย่างนี้ธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของทั้งเราทั้งคนอย่นก็มีความเป็นอย่างนี้เพราะว่าเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ใจก็จะผ่อนคลายความยึดติดในทุก ความบริสุทธิ์หมดจดก็จะเกิดขึ้นภายในจิต ต, ตามสมควรแก่การรู้คิปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทาความสงบสุขตอบ